ประโยชน์ของศีลห้าการรักษาศีลเนี่ยต้องคำนึงถึงประโยชน์ในปัจจุบัน 1. เป็นคุณธรรมประการความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน 2. ตัดทอนผลเพิ่มของบาป 3. บันทอนกำลังของกิเลสโลภโกรธหลงฝ่ายชั่วให้น้อยลงหรือหมดไป 4. ปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ 5. เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรม 6. เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้มีศีล5แล้วเคารพหมดทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพยอยู่ของคนอื่นสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติ สิทธิในคู่ครองของบุคคลผู้ต้องห้ามและสิทธิอื่นๆครอบจั ก, กรวาลไปหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยนี่ถ้าไม่หันหลังให้สินห้าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยจเจ๋าไปเลย